ชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งให้พากันประพฤติปฏิบัติตนเข้าไปทนจะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่กะอาที่จิตจิตตวงเดียวเท่านี้แหละเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยร่างกายนี่มันก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองมันอย่างดินน้ำไฟลมภายนอกนั่นน่ะมันไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลนมันใครจะฟักควันมันมันก็ไม่ว่าอะไร ร่างกายอันนี้ถ้าปราศจากจิตเสียแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนอนทอดอยู่บนพื้นดินถ้าไม่เผาหรือไม่ฝังก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังทรงกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยนี่ความจริงของร่างกายนี่เป็นอย่างนี้แหละ แต่ว่าร่างกายนี่มันก็มีคุณต่อจิตใจสำหรับผู้ฉลาดอยากจยาโยมที่มาทำบุญสเสวงบุญนี่แหละก็อาศัยร่างกายนี่แหละมากันมาทอดผ้าป่าบาังสกุณอะไรฟังธรรม อาศัยร่างกายอันนี้แหละถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยร่างกายของมนุษย์นี้มันก็ไม่มีทางโล้นที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดูแต่สัตว์สิ่งเดร้ยฉานที่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันอยู่นี่มันไม่รู้ไม่ที่อะไรเลย มันเกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ก็จริงแต่แล้วมันหาได้รู้ได้เข้าใจศีลธรรมอะไรกับมนุษย์ไหมอืมดังนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยซึงชื่อว่าเป็นวัฒนานาบุญของตนอย่างยิ่งทีเดียวแต่บางคนก็ไม่ ไม่ได้ใช้กายอันนี้ทำสั่งสมบุญกุศลใช้กายอันนี้ไปทำบาปมันก็ไม่มีมันไม่เป็นมงคลต่อจิตใจเลยบาปมันก็นำทุกข์มาให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า พากันภาวนาพินามันเห็นในชีวิตของคนเรานะ่ะมันมีของคู่กันอยู่มีบุญกับบาคู่กันอยู่ในดวงขีดนี่แหละมีสุข ก, กับทุกข์เป็นคู่กันอย่างนี้มีร้อนกับหนาวเป็นคู่กัน มีมืดกับมีสว่างเป็นคู่กันมีเกิดกับมีตายเป็นคู่กันลองคิดดูโรคอันนี้โรคคู่ไม่ใช่โรคขี้โรคคู่นี่แหละมันจึงเป็นทุกข์มันกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไป ผู้ใดทำบาปบ้างบุญบ้างอา้าวบาปมันก็มารบกวนใจให้เดือดร้อนไปค้าวใดบุญมันให้ผลมันก็มีความสุขความเย็นใจไปเป็นอย่างนี้แหละโลกคู่คิดดูดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แยกออกจากกัน บาปเป็นสิ่งอำนวยผลให้เป็นทุกข์เราก็แยกออกจากตัวเองซะอย่าไปทำมันอย่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดดื่มสุราเมลัยกัญชายาฟิ่นเฮโรอีนโมนี่อย่าไปทำมันเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ให้อภัยมัน อย่าไปแกล้งทำลายชีวิตของมันแต่ภูเลยสำรวมกายวาจานี่ได้แล้วมันก็ไม่มีบาปเกิดขึ้นในจิตใจเมือ่อเมื่อไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นสะเตื่นมันก็ต้องมีเมตตาการุณา ตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นถูกทั่วหน้ากันอยู่เสมอเสมอไปเช่นนี้จิตของผู้นั้นก็บเป็นจิตบุญเป็นจิตกุศลจิตดีหมายความว่าจิตฉลาดตู้จักสละความชั่วออกจากตัวได้นั่นแหละชันเรียกว่ากุศล จิตดวงใดมันฉลาดมันเป็นยางน้นต้องพิจารณาอันใดซึ่งเป็นความชั่วเป็นสิ่งที่นำทุกข์มาให้แก่ตนแล้วก็วต้องสลาดมันออกไปไม่ไม่สร้างให้มันเกิดมีขึ้นอเป็นอยางงท่านเพีงเดียวว่าบำเพ็ญกุศลบบบำเพ็ญกุศลนั่น ไม่ได้หาไม่ได้หมายถึงการให้ทานนะไม่ได้หมายถึงการให้ทานวัตถุสิ่งของการที่เราสละความชั่วออ ก, กจากจิตใจได้นั่นนะ่ะได้ชื่อว่าบาเพ็ญกุศลนะ่ะเช่นอย่างเราสละความโลภด้วยการให้ทานออ ก, กจากจิตใจได้ เราสลักความโกรธ ด, ด้วยการเจริญเมตตาการุณาให้เกิดขึ้นในใจเราสลักความหลงด้วยภาวนามัยพิจารณาเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่แต่เราไม่ใช่ของของเราแต่ว่าร่างกายนี้มันก็มีเหตุมีปจัจจัยนำมาเกิด ต้องเข้าใจไม่ใช่มันเกิดเองไม่ใช่มันเกิดลอยลอยมันมีเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนำดวงกิจนี่มาเกิดอาศัยธาตุของมารดาบิดานี่และบุญกุศลตกแต่งตาหูจมูกเล้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ ร่างกายนี้จึงชื่อว่าได้มาจากธาตุของมารดาบิดาชื่อว่าเป็นผู้รับผริตภมาจากมารดาบิดาผู้ใดเอากายวาจาอันนี้ไปทําชั่วผู้ชั่วก็เท่ากับว่าเอามารดาบิดาไปทําชั่วผู้ชั่วนั่นเองอไม่ใช่อื่นไกล เนยให้สำนึกเสมอเราจะต้องทำมรดกอันนี้ให้เกิดประโยชน์แกต่ตนและผู้อื่นให้ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าพ่อแม่แบ่งปันให้มาแล้วเราจะต้องทนุถนอมสร้างแต่คุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตน อย่างนั้นให้สอนใจตัวเองนึกอย่างนี้เสมอคนส่วนมากมันไม่นึกมันลืมบุญลืมคุณคุณมารดาบิดามีเท่าฟ้ากับดินนึกไม่เห็นอันนียเมื่อนึกไม่เห็นแล้วมันก็ไม่ไม่คิดตอบแทน ตอบแทนบุญคุณของท่านเลยนั่นนบางคนน่ะพ่อแม่เลี้ยงใหญ่มาแล้วมีสแวงหามีงานมีการทำมีเงินทองได้แล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่เหลียวแลทิ้งพ่อแม่ให้ทุกข์ยากลำบากอยู่ก็มีทมไป นี่เราเรียกว่าคนลืมตัวคนไม่ได้ภาวนาจึงไม่เห็นคุณค่าของร่างกายอันนี้อย่างพวกเราที่จาริกมาสเสวงบุญอย่างนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้กายวาจาอันนี้ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ใช้ใจมีความคิดความเฉลียวฉลาดหาเงินหาทองได้หาเงินหาทองได้มาแล้วก็มาคิดเสียว่าสมบัติเหล่านี้ถ้าเราจะเอาใช้สอยบริโภคเลี้ยงตัวและครอบครัวเท่านี้มันก็ได้ประโยชน์ แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง้ะสมบัติอันใดที่เราแบ่งออกไปความลุงพอะพุทธศาสานาอันประเสริฐนี้เข้าไปมันกบุเป็นบุญนิธิฝังอยู่ในจิตใจของเราติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนผู้ใดคิดได้อย่างนี้นะก็จึง ละความสนีที่เหนียวออกไปมีน้อยก็ให้ทานตามน้อยมีมากก็ให้ทานตามมากมเช่นนี้แหละผู้นั้นได้ชือว่าเป็นผู้รู้จักแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองเป็นความสุขอันถามน พ้อบุญกุศลมันให้ผลไปยืดยาวนานเหมือนอย่างนายมาาการแต่ครัง้งพุทธเจ้าเอาไปเก็บดอกไม้ในสวนอุทยานมาได้แปดกำ ม, มือเอาไปถวายพระราชาพระเจ้าประสิทิอีกุศลเออพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าวิมิสารก็พระราชทานรางวัลให้ วันละแปดกะหาปั น, น้าพอได้เลี้ยงครอบครัววันหนึ่งออกจากสวนมาพบพระพุทธเจ้าและประสงค์สเสด็จบินทบทัตไปก็เลยเกิดศรัทธาเราจะเอาดอกไม้นบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พระเจ้าวิมินสารจะลงโทษ ประหารชีวิตทีวาหรือให้ติดคุกติดตารางในเราก็ยอมในเรียก ว, ว่าเขาเอาชีวิตแลกเอาบุญกุศลกรรมดอกไม้ซัดขึ้นไปบุญอากาศดอกไม้ก็ขยายตัวออกเป็นตาข่ายไม่ตกลงมาสู่พื้นดินลอยตามพาษาัตดาได้ประสงค์ไป กรรมที่สองสัดขึ้นไปก็เป็นตาข่ายเหมือนกันสนะั์ขึ้นไปถึงแปดกรรมมือเป็นตาข่ายล้มตามสเสด็จพระศาสดาไปคนดังหลายเห็นเข้าอัศจรรย์ใจนั่นแหละนายมาการนะ่ะได้ทำบุญอย่างนั้นนะบุญอย่างอุกฤษ เอาชีวิตแรกเอาถ้าพระเจ้าพิมิสานลงโทษก็ยอมตายนี่นะยอมตายพอบุญแต่แล้วพระเจ้าพิมิสานไม่ได้ลงโทษกับพระราชทานรางวัลให้อย่างละสี่ละสี่นายมราการก็เลยเป็นคนร่ำรวยขึ้น นายมาลาการเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปพระพุทธเจ้าของพยากรว่านับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนายมาลาการไม่ได้ไปตกนรกอวัยภูมิเลยตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เป็นเทพบุตรเมื่อหมดอายุบนสวรรค์แล้วก็จุดติลงมาเกิดในโลกนี้ แลื้อเขมาสร้างบุญสร้างกุศลอีกอย่างนี้หมดอายุในมนุษย์แล้วขึ้นไปเกิดสวรรค์หมดอายุสวรรค์ลงมามนุษย์มาสร้างบุญบารมีในที่สุดบุญบารมีก็เต็มประเจตประเจกภูมิได้เกิดมาชาติสุดท้ายก็ได้ออกบวชใน้ตรัสรู้เป็นประเจกพุทธเจ้าออื ชื่อว่าสุมาณะประเจกขาพุท ธ, ธะแล้วก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปอันนี้ยกเรื่องเล่าของคนแต่ก่อนมาเล่าสู่กันฟังว่าผู้มองเห็นบุญเห็นกุศลด้วยตนเองแล้วก็ยอมสละชีวิตเพื่อบุญเพื่อกุศลอ่า พระนายมาาการันดัมรีว่าถ้าเราเอาดอกไม้นี้ไปถาไวายพระเจ้าวิมินชารพระองค์ก็จะพระราชท า, านรางวัลให้แปดกหาปณะเงินแปดกหาปณะ น, นั่นเท่ากับเงินแปดบาทเราไม่ใช้ใจ่ายไม่กี่วันก็หมดส่วนที่เราเอาดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสง นี่นั่นย่อมเป็นบุญกุศลติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้แก่เราไปยืดยาวนานอนายมรการคิดได้อย่างนี้เลยนั่นแหละมันก็เป็นความจริงไงบุญกุศลน่ยก็ติดสอยห่อยตามเขาเมื่อบุญยังไม่เต็มตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ทำบาปอะไร หมดอายุบนสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้เกิดมาแนละ้วเขาก็ใจบุญสนทางเขาก็ทำบุญเขาไม่ทำบาปคนเราเมื่อตั้งเท้าได้แล้วมันก็ไปได้สบายๆเลยรับแตชาตินี้ไปยางไงผู้ไดอธิษฐานจิตลงไฟนะนับตั้งแต่ชาตินี้ไป ขาเจะจะไม่ทำบาปแล้วจะทำแต่บุญแต่กุศลทำมาหาเลี่ยงขีบก็จะหาเลี่ยงขีบโดยทางสุจริตทางทุจริตจะไม่ทำไม่ร่ำไม่รวยก็ตามจะขอรวยทางบุญรวยทางแข่งความบริสุทธิ์ขอให้มีจิตใจบริสุทธิ์จากบาปจากโทษก็พอแล้ว ให้ผู้มีปัญญายอมยอมเป็นเช่นนั้นนะใอยเข้าใจผู้ขาดปัญญาแล้วก็ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสมันก็จูงไปให้ทำบาปบ้างทำบุญบ้างผลเปกันไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าจึงทรงตัดไ้ว่า ปัญญาณรานังรัตนังแปลว่าปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของนรชนทั้งหลายเป็นแก้วสารพัดนึกคนมีปัญญาแล้วมันก็ น, นึกมองเห็นทางแห่งความสุขความเจริญแก่ตัวเอง กระดำเนินไปตามทางแห่งความสุขนั้นนั่นแหละขอยพากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมคำสอนของอุเธเจ้านะั่นทำให้จิตใจนี่เป็นสุขจริงๆใจไม่เป็นสุขเพราะไม่ลากความชั่วออกจากตนคึดถือเอาบาปเอาความชั่วไว้ บาปความโชอองกบเผาจิตให้เดือดร้อนเป็น้นถ้าสละบาปอากุศลออกไปเสียแล้วให้มีแต่กุศลอยู่ในใจิตใจก็สบายจิตใจก็สงบก็เยือกเ ย, เย็นเหมือนอย่างเรานั่งภาวนาอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างนี้นะตรวจดูว่อาอ้าเรามีศีลอยู่ เราไม่ได้ทำบาปอะไรเลยอย่างนี้มันก็ได้ความปีติในใจขั้นหนึ่งแล้วเพราะคนเราถ้าไม่มีบาปอยู่ในตัวแล้วมันยอมมีจิตใจเ อ, อิบอิ่มแถมมาภาวนาเข้าไปวันนี้น้อมสติเข้าไปหาจิตคือความรู้สึกอันนั้น เออดลึกเข้าไปสติไปประคองความรู้สึกคือดวงจิตนั่นอยู่ภายในไม่ปล่อยให้จิตคิดส่านไปภายนอกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตสงบอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตสงบนี่อาศัยความรู้อันนั้นนะเข้าใจ รู้ตัวอยู่ว่าตนไม่ได้ผูกพันกับอะไรในขณะนี้จุดมุ่งหมายของการภาวนาเบื้องต้นก็เพื่อให้ความรู้สึกอันนี้เป็นหนึ่งอยู่ไม่มันคิดปรุงแต่งไปในเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ไม่เอามาคิด เรื่องอนาคตยังไม่ได้ไมปถึงก็ไม่เอามาปรุงแต่งกําหนดรู้เท่าอยู่ในปัจจุบันนะรู้เท่าขันหน้านี่อยู่ในปัจจุบันนี่ขันหน้านี่มันไม่เที่ยงมันจะแจกแกดับแล้วก็ตามกาหนดรู้อยู่ของนั่นแหละถ้าไม่รู้แล้วเวลามันขันหน้ามันวีบัิแปปวนเวลากระตกกาย เออเรานี่ถ้าลอยาจะตายหรืองไงน้อหัวมันไม่เมื่อนึกแบบนี้แล้วก็ตกใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายถ้าเรามันภาวนาพิจารณาเห็นร่างกายตามเป็นจริงอยู่มันก็ไม่สะดุ้งนะ เ, เวลาเจ็บใครได้ป่วยลงเออร่าง ธาตุสี่ขัน้านี่มันแปรปวนไปมันจะแตกกระดับเราก็รู้อยู่ตามเป็นจริงอย่างนี้ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสังขารร่างกายอันนี้พระพทเจ้ายัางตรัสว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมด า, น, านี่นะ่นี้เนี่ยให้พากันภาวนาพิจารณ า, า, า, า, าหเห็นก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นก็ร่างกายนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ด้วยอำนาจแห่งบุญและบาป ที่ตนทรมาที่ใช่ก่อนนั้นนำมาเกิดในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดามีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งตาหูเป็นต้นให้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนี่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เทียงไม่อย่างยืนเลย เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยคือหมดบุญที่ทํามาแต่ก่อนแล้วรูปนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลย้ลวต้องแตกต้องทำลายลงนี่นะดังนั้นเราต้องภาวนาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายสังขารอย่างนี้เมื่อทําใจให้สงบลงไปแล้วนะอย่าสงบอยู่เฉย ต้องกำหนดรู้ความจริงของร่างกายด้วยเมื่อรู้ความจริงอันนี้แล้วแล้วก็ไม่ไม่ไว้ใจไม่ไม่นิ่งนอนใจไม่ทราบว่าบุญที่ทำมาแต่ก่จะหมดลงเมื่อใดแล้วก็รู้ไม่ได้ดันั้นต้องเตรียมตัวไวเ้เสมอเสมอสั่งสมบุญคุณไว้ในใจเสมอ ทำใจใตั้งมั่นไม่เกาะไม่คล้องกับสิ่งใดในโลกนี้เอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งอย่างเดียวไม่ปล่อยจิตให้ไปห่วงเงินทองเข้าของห่วงบ้านช่องอะไรต่ออะไรหมดนั้นไม่เอาห่วงทำไมตายแล้วเราเอาไปได้ที่ไหนอะของเหล่านั้นทิ้งอยู่ในโลกนี้ ก็เป็นของผู้อื่นไปเท่านั้นเองแล้วจะไปห่วงไว้ทำไมอ่ะห่วงไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆชั้นเมื่อตายลงนี่จิตก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องไปห่วงไปห่วงสิ่งที่ตนห่วงเวลาก่อนตายนั่นเนี่ยตายเป็นห่วงฉันใดเมื่อตายลงไปแล้วจิตก็ไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นเ่ยไปที่อื่นไม่ได้เลย ให้พากันกลัวแต่จิตใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเนี่ยอันนี้ให้กลัวไปคล้องอยู่ยังอาไปคล้องอยู่กับเงินกับทองกระช่ายจ่ายเงินทองนั่นไม่ได้เพราะเมืองผีไม่มีการใช้การจ่ายไม่มีการซื้อการขาย อะไรเลยไปหัวอยู่เฉเหมือนอย่างมดแดงเฝ้าขนมะม่วงอยู่นั่นนี่ยเอาใบมะม่วงมายึดติดกันด้วยใยของตัวเองหุ้มลูกมะม่วงไว้กินก็กินไม่ได้ เฝ้ามะม่งวงอยู่นั่นแหละในที่สุดมะม่งวงมันแก่แล้วมันก็สุกมันก็เน่าเละไปมดแดงก็กินอะไรไม่ได้ฉันใดจิตที่ผูกพันอยู่กับโลกนี้อยู่กับเงินทองเข้าของเมื่อตายแล้วก็ เอาไปใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้ชั้นเดียวกันนั่นแหละมเมื่อตายไปแล้วไปเฉลยผลบุญผลบาปที่ตนทำไว้แต่โลกนี้เท่านั้นเองเส่งภาวนาดูให้เข้าใจเมื่อผูใ้ใดภาวนาเห็นอย่างนี้ บาปไม่เอาแล้วสลาออกไปเอาแต่บุญบบนี้นะบุญนี่แหละเมื่อสะสมไม่มากๆเข้าไปมันกำจัดกิเลสอันหมักดองอยู่ใ น, ในใจิตใจมานานให้น้อยเบาวางไปเรื่อยๆไปกิเลสบาปประทัมนี่ไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้ มีแต่บุญกุศลเท่านั้นผู้มีบุญมากเ้าไปอะไรมันก็ขับไล่บาปออกจากจิตใจสังเกตดูสิคนมีบุญมากๆาแล้วเบื่อหน่ายต่อการทำบาปจึงได้ เ, เข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีพระขาว อยู่ในวัวาอารามสละความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นไม่ยอมเอาแล้วมาปฏิบัตรริวัวาอารามอยู่เลี้ยงชีพด้วยผู้อื่นบริจาคทานให้ตามมีตามได้พขาบริจาคให้อย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้น ไม่ดิ้นรนทะเยอะทะยานนี่ผู้ชายโย่ครองเรือนส่วนมากก็ได้ทำบาปเป็นแม่ค้าพ่อค้านีก็โกหกไม่โกหกก็ไม่รวยเขาว่างั้นนี่ผู้ผู้มีบุญมากเข้าไปแล้วมันเบื่อ พิจรารณาไอ้เรื่องโกโหกพกรมเรื่องหลอกลวงต่างๆมูนี่สำหรับผู้มีบุญมากแล้วบุญบรรดานี่้เบื่อหน่ายในการทำบาปอย่างนั้นการเป็นบรรพชิตเป็นนักบวชเนี่ยเป็นการเวียเี้ยนจากเบียดเบียนกันละกันพระพุทธเจ้าตรัสไป มันก็เป็นความจริงนะก็เราไม่แสวงหาราบยศสรรเสริญเยืนยออะไรอ่ะมันจะไปแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครอ่ะไม่มีเ็ตุผลถึงไม่ได้เบียดเบียนกันนะไอ้มนุษย์เบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมันอยากได้นั่นแหละอยากรวย ต่างคนต่างสแสวงหาเมื่อสแสวงหาไปก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าก็เกิดเรื่องขึ้นอ่าวีวาตบาดหมางกันทำลายล้างผลาญกันลงไปเป็นเวณกันไม่รู้จบนนะผู้มีบุญมากเพื่อนจึงมาพิจารณาเห็นการเลี้ยงชีพ โดยทางทุจริตอย่างนั้นหามีความสุขไม่ก็จึงได้สละบ้านเรือนออกมาบวชทั้งเป็นพระภิกษุทั้งเป็นชีพขาวมุนี้ก็ได้ชื่อว่านักบวชทางนั้นเพราะว่าเป็นผู้เว้นจากการครองเรือนเว้นจากการสะสมเงินทองเข้าของ ลาบยศต่างๆถือสันทุธิตามมีตามได้อย่างนี้นผู้ที่ไม่ได้บวชคิดได้ว่าเมื่อมีจิตห่วงใยผูกพันอยู่กับวัตถุสิ่งของอะไรทอะไรอย่างนี้มันมีแต่โทก ประโยชน์น้อยเดียวพอเลี้ยงชีพไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้คิดได้อย่างนี้จึงแบ่งสรรปันส่วนแบ่งสรรปันส่วนเงินทองที่หาได้เอาส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานส่วนหนึ่งก็เลี้ยงตัวและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนหนึ่งไปเสียภาษีอากร ให้แก่หลวงนี่คนฉลาดรู้จักใช้เงินเป็นคนไม่ฉลาดแล้วก็ถ้าจะไปทำบุญในทานก็เสียได้กลัวมันจะหมดกลัวมันจะสิ้นเปลืองไปการเลีเ้ยงชีพก็จะบุบคร่องไปก็เลยทำบุญในทานไม่ได้ อันนี้พอกที่สแสวงบุญไปตามสถานที่มีพระทรง์องค์เจ้าผู้พูดเพฤ่ปฏิบัติดีมากน้อยสันโดษชอบสังงัดอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยอันนี้ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเนื้อนาบุญได้ ดันจึงได้ชักชวนกันมาแม้จะอยู่ไกลก็ตามสมัยทุกวันนี้ทางคมนาคมมันก็สะดวกรถ ล, ลาก็มีเยอะแยะเดันแม้อยู่ไกลก็เป็นใกล้เลยป่ะนี่สถานที่บาเพ็ญบุญกุศลอยู่ภูเขาเราคลองกับไปถึงได้ แังนั้นก็ขอให้พุทธบริษัทได้บุญได้กุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนเนี่ยเมื่อมาไกลความเสียสละมันมีมากมันก็ต้องได้อานิสงส์มากอยู่ดีๆความพยายามมันมีถ้าไม่พยายามไม่ฝ่าฟันอุปสรรค ต่างๆก็มาไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ท่านเรียกว่าบุญกับกุศลเป็นคู่กันเลยกุศลก็เราจิตใจฉลาดรู้จักฉละอุปสรรคต่างๆที่มันจะมาขวางทางออกไปจะได้เดินทางมาทำบุญดำกุศลตามความประสงค์ได้จริงๆ ดังนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปนี่มันต้องพิจารณาให้รู้เห็นด้วยตนเองจใจผู้อื่นชี้ให้บางทีมันก็ไม่เชื่อเลยเมื่อมันไม่เห็นด้วยใจบางทีก็เชื่อสู้การพิจารณาเห็นด้วยใจของตนเองไม่ได้ การพิจารณาเห็นบุญเห็นบาปด้วยใจของตนเองแล้วอย่างนี้มันก็ต้องสลับบาปออกไปแล้วมันก็ยิดเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งไว้ในใจนี่มองเห็นโดยตนเองนะ่ะมันก็พอใจเต็มที่เลยบระเด็นดังนั้นเมื่อ เข้าใจในข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี้แล้วก็ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจรักษาจิตตรงเดียวเท่านี้เนี่ยไอ้มั่นอยู่ในบุญในคุณใ้ได้บุญนี่มันสูญหายได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่รักษาจิตใจปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปก็ไปคล้องในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรนั้น เิ่นให้เพลินไปดูมรศกครบันเปิดเพลินไปในการสังคมภายนอกจนลืมบุญลืมคุณความดีที่ตนทำมาอย่างนี้นะถ้าเพลินไปนั้นมันก็บุญคุณมันเสื่อมไปได้เหมือนกันนะมันเป็ น, นทั้นเรา กลัจะได้ทำบุญแต่ละครั้งแสนยากฉะนั้นเมื่อได้ทำแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลไว้ให้ได้อย่าให้บุญเสื่อมจากจิตใจเลยมีสติธรรมะชัญญาไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมจิตเน้นลึกเข้าไปหาจิต ให้มันเห็นว่าจิตนี่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่นี่สำคัญนะขอให้เข้าใจมึงคนนี่ท่าว่าจิตไม่ไม่ชอบแล้วจิตเบื่อแล้วมันก็ดับไปมันก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างโยมมันมีจิตดวงนี้เป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อฝึกขนอบรมจิตดวงนี้ ให้เสื่อมั่นในบุญในคุณแล้วก็บุญคุณก็ไม่สูญไหนจากจิตเลยนะจิตก็สงบและเย็นสบายอยู่ด้วยบุญด้วยคุณความดีต่างๆดังนั้นให้เข้าใจเหลือจะททำบุญแต่รักษาบุญไว้ไม่ได้มันก็น่าเสียดาย ดัะนั้นเมื่อได้ทำบุญได้เกิดให้มีขึ้นแล้วอยาให้ศูนย์ให้บุญเจริญ ง, งอกงามอยู่ในดวงจิตนี้เลือ้อยไปจะได้เป็นที่พึ่งในเวลาล่มหายตายจากโรคอันนี้ไปแล้วเราจะได้อาศัยบุญคุณที่เราสะสมในเวลามีชีวิตยอยู่นี่แนะ่ เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขกให้แก่ดวงกิจนี้ต่อไปอชีวิตนี่น้อยนิดเดียวหนึ่งอย่าว่าอย่าพากันนิ่งนอนใจเตรียมตัวไว้ทุกเวลานาทีเพราะว่า กิเลสนั้นคอยคุ้มเชิงอยู่ตลอดเวลาเผลอเมื่อใดกิเลสมันก็เล่นงานเมื่อนั้นกิเลสของคนหนุ่มคนสาวมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกิเลสของคนวัยกลางก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกิเลสของคนแก่ ก็เป็นอีกเรื่องห น, นึ่ง น, นัเนหลยมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันน ะ, ะนกิเลสคนแก่มันเป็นเหตุให้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงน้นห่วงนี่กลัวเขาจะไม่มีความสุขความสบายแล้วก็วิตกวิจาร์ไป นี่เรียก ว, ว่าความห่วงของคนแก่คนวัยกลางคนเหมือนกับห่วงอยากกะร่ำรวยมั่งมีสีสุขมีเกียรติยศชื่อเสียงอยากมีหน้ามีตาเข้าสังคมไหนก็ให้มันสงงาผาเ้ยให้ถือว่า คนมีเงินมีทองมากคนก่อเขารบยำเกรงนี่เรียกว่ากิเลสของคนวัยกลางไรกลางคนกิเลสของวัยหนุ่ม ว, วัยสาวก็รักสวยรักงา ม, มเปียงั้นแสวงหาแต่สิ่งที่น่ารักน่าใครน่าพอใจอยู่อย่างนั้น คนหนุ่มคนสาวนี่นั่นฉะนั้นทุกคนให้รู้จักกิเลสในหัวใจตัวเองว่ามันมีอย่างไรบ้างที่อยู่ในใจนั้นเมื่อกิเลสมันมียังไงอยู่มันปรากฏมันก็รู้นั่นแหละทำไมจะไม่รู้ทุกคนยอมรู้ตัว แต่ว่ารู้ว่ากิเลสมันมีอย่างนั่นแล้วบางคนก็ไม่คิดที่จะละมันยังสังสมส่งเสริมมันอีกให้มันมีกําลังมากขึ้นโดยลำดับก็มีถือว่ากิเลสเป็นของดีไปอย่างนี้ดังนั้นให้พากัน กลัวดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงอะเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นอ่ะตนมีอุบายวิธีกาจัดมันอย่างไรหรือว่าส่งเสริมมันซ้ำเลยนี่ให้พิจารณาดูการไปส่งเสริมกิเลสเลยนไม่ดีแล้วชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรม คือว่าเป็นผู้ประ ม, มาทในทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อได้มาสมทานมั่นในข้อปฏิบัติสูงขึ้นไปจากผู้ครองเรือนแล้วอย่างนี้นะยังประ ม, มาทอยู่นี่มันก็ใช้ไม่ได้ต้องเป็นผู้เห็นโทษของ ราคะตัณหาเต็มที่เลยเพราะราคะตัณหาเนี่มันพาให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่นับชาติไม่ทวนแล้วพาไปตกนรกหมกไมเนี่ยอบายภูมิก็ราคะตัณหานี่แหละสำคัญมากแต่ละลึกชาติทนหลังไม่ได้เฉย ว่าตนไปตกนรกอยู่นานแสนนานเท่าไรนึกไม่ได้อืมจึงมีความรู้สึกเหมือนอย่างว่าตนไม่ได้ไปนรกหมกไหมอะไรเลยอืมตนไม่ได้เทียวเกิดแก่เจ็บตายอะไรพอมารู้ตัวทีเพียนชาตินี้นึกว่าตนเกิดชาติเดียวนี้ ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความประ ม, มาทจริงอยู่เราระลึกไม่ได้ระลึกชาตหถนหลังแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ะระลึกชาตหถนหลังของพระองค์ได้อ่างเดี๋พระองค์ท่องเที่ยวเือแก่เจ็บตายสร้างบารมีมาในสงสารนี่ นับนับไม่ได้แล้วนับไม่ทวนแล้วแต่อันนั้นเรียวว่าพระ อ, องค์ปรารถนาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารีเหตุนั้นพระองค์จึงต้องวนเวียนเกิดตายอยู่นาน พราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างมากเอาจริงๆเมื่อบารมียังไม่เต็มก็ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างนั้นนีนน่นั่นเรียกว่าพระ อ, องค์ตั้งใจดีปารธนาดีต่อพระ อ, องค์เองและต่อชาวโลกทั้งหลายพระ อ, องค์ไม่ใช่เป็นผู้เล้วไหลมาในสงสาร แม้คนไม่ได้ป่าทะนาเป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายเหมือนกันเลยต่างแต่ ว, ว่าเลวกว่าผู้ที่สร้างบา ร, รมีมาในสงสารนี่นะไม่ได้ป่าทะนาอะไรป่าทะนาพ้นทุกข์อย่างเดียวนันน่ะว่าบุญบา ร, รมีเต็มง่ายกว่ า, ากูมีความป่าทะนาน น, นนนี่ไป เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้ระลึกทบทวนดูชาติความเกิดของตัวเองกลัวว่าตนเองจะได้มีศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมในชาตินี้นในชาติก่อนๆที่ล่วงมาแล้วตนก็ได้สร้างบุญสร้างกุศล ได้พบพุทธศาสนามาแล้วนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาบุญจึงโดนบันดาลให้มาเกิดในประเทศไทยซึ่งมีพุทธศาสน า, านี่ <c oughs> <c oughs> เกิดมาแล้วก็บุญกบันดาลให้ได้พบและปลดบัณฑิต ผูะพติสุจริตด้วยกายวาจาใจในพระธรรมวินัยแล้วได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจยอมสละบ้านเรือนญาติพี่น้องลกูกหลานอะไรต่ออะไรมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนา ก็ให้ดึกว่าเรามีบุญบา ร, รมีมากพอสมควรอยู่ให้ภาคภูมิใจแล้วตั้งใจภาวนาก็าไปเรื่อยๆละกิเลสไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นในจิตใจจึงจะสมกับว่า ผู้ที่เห็นทุกข์เค้นภัยในวัฏสงสารเห็นว่าการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายเช่นนี้ก็ต้องมีความคิดเห็นอย่างนี้มันก็จึงสมกับว่าผู้มีบุญบรารมีแก่กล้า ไม่ได้เห็นว่าการมคุณนั่นน่ะเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้มากมายการมคุณนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้ชั่วระยะหนึ่งไม่นมไม่นานอะไรเดี๋ยวก็หายไปความสุขอันเกิดจากความสงบใจความไม่กังวลต่างๆนา น, นี่เป็นความสุขอัน บริสุดทธ์สดใสแล้วก็สุขอยู่นานจะต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้แล้วพยายามปฏิบัติไปให้ถึงจุดนั้นเมื่อมันถึงจุดนั้นทุกคนก็รู้ได้รู้ตัวว่าจิตของตนไม่มีห่วงไม่มีกังวล ปล่อยวางเรื่องอดีตอนาคตเสียหมดแล้วกำหนดเอารู้เท่าแต่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีความหลงเห็นผิดเป็นชอบตงสารนานาก็ไม่มีนั่นเมื่อเรากำหนดปัจจุบันนี้เป็นหลักแล้ว ก็ย่อมรู้ได้รู้ได้ว่าทางระงับกิเลสที่จะให้กิเลสมันดับไปอาศัยมีสติสมบัตญิญากกณกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรเลยถ้ามันเผลอคิดไปเช่นนี้ก็ไม่ยึดถือความคิดนั้นก็ กำหนดเอาความรู้ไม่ไม่ยึดถือเอาความคิดอืเมื่อกําหนดความรู้ได้อย่างนั้นความคิดมันก็ดับไปอก็ไม่ต้องเอวุ่นวายไม่ต้องเดือดร้อนกับความคิดตัวเองอันนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้จิตใจ ถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะว่ามีสติสมชัญญาควบคุมความรู้สึกอันให้อยู่หากว่ากิเลสมันปั่นจิตให้คิดอะไรขึ้นมารู้ตัวแล้วไม่ยึดเถอมันก็ดับไปเพราะรู้เรื่องว่าจิตเผลอคิดไปเรื่องอะไรแล้ว ไม่ส่งไปตามมันกําหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวความคิดอ น, นั่นมันก็ดับไปอยู่นั่นแหละอืมกว่าธรรมดาผู้ที่ยังละ ก, กิเลสไม่หมดนี่จะไม่ให้มันเผลอนะั่นไม่ได้เราก็ต้องมีเผลอแต่ว่าให้มันเผลอน้อยที่สุดะให้นิดอย่างนั้น ให้มีความเผงพังเผอ น, น้อยที่สดเผอใกล้ๆไม่ใช่เผอลืมตัวคิดปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปจนว่าพอแรงแล้วยังรู้ตัวเช่นนี้มันแก้ยากแบบนั้นนะถ้าเราจดจ่ออยู่เอาปัจจุบันเป็นหลักอยู่เผอแพบเดียวมันก็รู้ตัวรู้ตัวแล้วก็กำหนดความรู้ทันทีเลย เช่นนี้ความคิดความปรุงแต่ง ม, มันก็ดับไปอฝึกอยู่อย่างนี้เนะี่ยเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไป ม, มากๆแล้วมันก็ไม่ส่งเสริมความคิดอันนั้นเลยสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ควบคุมความรู้สึกอันนั้นให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันออ อ น, นี้ยควบคุมความรู้สึกนั่นให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถือเอาอะไรอันนี้เนี่ยเป็นอุบายสำหรับที่เราจะพึ่งปฏิบัติเอาอย่างรูปรัดเลยเพราะว่าผู้ปฏิบัติมานานแล้วอย่างนี้จะไปเดินทางโค้งอยู่มันก็นานแหละ นานถึงจุดไหมเพราะนั้นต้องพยายามเดินทางลัดเลื่อยๆไปเพราะว่าอะไรอะไรมันก็สำเร็จลงด้วยจิตดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะถ้าหากว่าเราควบคุมจิตดวงนี้ได้แล้วนั่นก็ได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการนั้นมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรเลย รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆมันก็มีอยู่ตามธรรมดาของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปร่ปวนแตกดับไปรูปเกาแตกดับไปรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วอยู่ไปอยู่ไปรูปใหม่ก็กลายเป็นรูปเกาก็แตกดับไป ลูกใหม่เกิดขึ้นมาแทนเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสเหมือนกันเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะไปสงสัยอะไรอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีถ้าเกิดกับดับเท่านั้นเองเน่ะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่ไห น, นทำว่าสัตว์ว่าบุคคลนั่นสมมุติเอาในเวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่เท่านั้นเองเนี่ยสมมติ ถ้าไม่สมมติอย่างนี้เราก็บสังคมกันไม่ได้เลยอันนี้เราพิจรารณาในทางปรมัตา์ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสังคมรู้เฉพาะตัวนั่นแหละเมื่อรู้เฉพาะตัวแล้วเวลาเข้าสังคมเราก็ต้องเป็นไปตามสังคม สมมติบัญญัติอะไรต่ออะไรมันกับเป็นไปตามสังคมแต่เราก็ไม่ยึดถือเอาสมมตินั้นก็ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ทำความรู้ความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้บางคนไม่รู้อย่างนี้นะภาวนาไปเห็นอนิยจ้งทุกขังตาอนัตตาอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ เมื่อข่าสังคมก็บวนแต่เรื่องไม่ใช่ของเราพูดแต่เรื่องไม่ใช่ของเราอยู่ยนั่นเดียวก็เขาก็หัวเราะกันเท่านั้นแหละอืดัะนั้นเราก็ความรู้เหล่านี้ให้เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวของใครของเราเท่านั้นแล้วก็แล้วกันไปอืมดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาท ก็จะทำให้กิเลสตนาน้อยวบาวางจากจิตใจของตนไปโดยลำดับลาดับดังกล่าวมา